สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบกับรายการธรรมะสบายๆกับพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตจากวัดบวรนิเวศวิหารนะคะและมีดิฉันอรายาสุวิเศษศักดิ์เป็นผู้ร่วมดําเนินรายการน้มัสมัชฌิรพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นพรเมื่อคราวที่แล้วนะคะเราพูดถึงเรื่องของศาสนาพิธีต้องบอกว่าเป็นศาสนาพิธีตอนที่1ก็แล้วกันตอนนี้ก็มีภาคต่อมีภาคต่อมีภาค2นะคะเป็นศาสนาพิธีตอนที่สองใช่คราวที่แล้วเราพูดถึงศี่ห้า้วเจ้าค่ะยัง ได้พูดถึงเรื่องสินห้าไปแล้วแล้วกอ็อันนี้ส่งของการถือสินห้ารักษาสินห้าเนี่ยว่าเปรียบเหมือนบ้านที่มีรัว้วแล้วก็การที่เรามีสินห้ารักษาสินห้าที่ดีเนี่ยก็จะเป็นการคัดกรองปัญหาต่างๆที่มันจะเข้ามาในชีวิตของเราได้ส่วนหนึ่งจากข้างนอกทีนี้คราวที่แล้วเนี่ยพูดถึงขั้นตอนการอาราธนาสิน ไปเนี่ยมันดูอย่างขาดขาดวินๆนอ่ะ น, นะ <c oughs> ทีนี้เรามาจำลองสถานการณ์ก่อนว่าคนคนที่รับฟังรายการเราเนี่ยก็จะได้เห็นภาพขั้นตอนไปด้วยแล้วก็จะได้นำเอาไปใช้ในชีวิตจริงๆได้เลย <c oughs> ว่าเนี่ยไปเราก็จะเจอสถานการณ์อย่างนี้แหละแล้วเราก็ต้องอต้องใช้แบบนี้แหละแล้วก็จะได้แบบว่า ทำถูก ต, อก ต, อต้องนะยางงั้นก็เดี๋ยวจะให้ยมแม่เนี่ยจำลองสถานการณ์นะว่ามาารัชนาศีรับศีนนะเเหมือนเราไปฟังธรรมวันพระเงี้ยพระท่านก็ให้ศีนแล้วก็รับศีนมาแล้วเราก็รักษาให้ดีน ะ, ะ, ะก็เป็นศีนห้านะไม่เอาศีนแปดนะะค่ะ เราต้องเริ่มต้นที่การขอศีลก่อนใช่ใช่ไหมเจ้าคะ่ะใช่งั้นงั้นยมเริ่มเลยนะเจ้าคะโอเคมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัดฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ ตติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงร a k a n a t t h ติสรารเนนะสหปัญจะศีลานิยาจามะอันนี้คือคำอาราธนาศีลซึ่งได้อาราธนาเนี่ยว่าเราทั้งหลายขอศีลทั้งหลาย5พร้อมกับสาณะทั้งหลายสาเพื่อประโยชน์แก่การรักษาเป็นข้อเป็นข้อดังนี้ก่อนที่จะได้ การรัตนาศีลรับศีลต่อไปเนี่ยก็ขอให้ได้นอบน้อมถึงพระพุทธพระพุทธเจ้าด้วยการกล่าวพระบาลีดังต่อไปนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุตสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุตสสะ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 ระลึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่นับถือด้วยการกล่าวพระบาดีดังนี้พุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิสังคังสระนังคัจฉามิสังคังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ ทุติยามปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยามปิธรรมังสระนังคัจฉามิทุติยามปิธรรมังสระนังคัจฉามิทุติยามปิสังขังสระนังคัจฉามิทุติยามปิสังขังสระนังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยามปิธรรมังสระนังคัจฉามิ ตตติยามปิธรรมังสรนังคัจฉามิตะติยามปิสังคังสรนังคัจฉามิตะติยามปิสังคังสรนังคัจฉามิติสรณะขมันังนิถิตังอามะพันเตต่อไปก็จะเป็นการที่พูดถึงศีลห้าข้อให้เราได้จดจําและเอาไปรักษาในชีวิตประจำวันต่อไปโดยกล่าวคําพระบาลีตามดังนี้ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอตินนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอตินนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจารา เวรมณีสิกขาปะทภังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทภังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชะปมาทฐานา เวรมณีสิกขาปะทหังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจะสิกขาปะธานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเย ซึ่งอันนี้ก็เป็นขั้นตอนในการที่เราเนี่ยรัตนาศีลเจ้าค่ะก็คำแปลเนี่ยก็ได้บอกไปแล้วในตอนที่หนึ่งที่เราพูดกันไปทีนี้จากศีลห้าเนี่ยมันก็มีศีลแปดนะทำไมเราต้องมีศีลแปดล่ะอย่างแอคิดว่าทำไมต้องมีศีลแปด้วยอย่างตอนไปที่ไปปฏิบัติธรรมอะคะ่ะก็จะต้องต้องรับศีลแปดใช่ แล้วทำไมสีนห้าไม่พอล่ะทำไมเราไปปฏิบัติธรรมต้องเป็นสีนแปดล่ะเพราะว่าเราเราไม่ทานข้าวมื้อเย็นนะคะมีการรับโภชนาใช่สีลแปดเนี่ยมันก็เพิ่มมาจากสี่ห้าเนี่ยก็คือไม่ทานข้าวหลังเที่ยงไปแล้วนะไม่ทัดทรงประดับตกแต่งด้วยของหอมต่างๆเจ้าค่ะแล้วก็ ไม่ฟังไม่ดูซึ่งการละเล่นต่างๆเหล่านี้อีกอันหนึ่งก็คือไม่นอนบนที่นอนสูงใหญ่ใช่เจ้าค่ ะ, ะทีนี้ทำไมเราต้องมาทำอย่างนั้นด้วยล่ะปกติเนี่ยนห้ามันก็ก็น่าจะพอแล้วพอแล้วแล้วทำไมเวลาเราไปปฏิบัติธรรมก็จ ะ, ะส่วนมากเนี่ยก็จะได้ให้ให้ถือสิน8กันทีนี้ศินแกับนะ 5 า, าข้อแรกเนี่ยเท่ากันก็คือสินห้านั่นแหละต่างกันขึ้นมาอีก4ตัวอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้นี้ทำไมถึงต้องมี4ตัววัตถุประสงค์ของการที่เราอยู่ดีๆเนี่ยมาเพิ่มอีก4ตัวเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรยมคิดว่าคือเวลาที่เราไปปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วก็ไม่ไม่ต้องห่วงเรื่องเครื่องประดับแล้วก็เรื่อง กลิ่นหอมจากน้ำหอมจากแป้งก็สะดวกดีเพราะเราก็ไม่ต้องไม่ต้องเหมือนเราไม่ต้องแต่งหน้าแต่งตัวไม่ตอ ง, ปงไ<ม>ปบวชใช่ไม่ไม่เยอะแยะมากมายแล้วก็การไม่ไม่กินอาหารเยอะในความคิดของตัวโยมเองก็คือว่าทําให้ก็คงจะเหมือนที่พระฉันไม่ไม่ไม่กินข้าวมื้อเย็นเราก็ไม่กินข้าวมื้อเย็นหลังเที่ยงไปแล้วเนี่ยก็ทําให้แบบท้องเราเบามี การนั่งสมาธิก็ทำได้ดีขึ้นเจ้าคะ่ะอ่าอทีนี้ถ้าเราไม่อ่าหมายถึงว่าถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมน ะ, ะหมายถึงว่าไม่ได้ไปเข้าอ่าวัดหลีกเล้นอยู่แต่เรารักษาศีลแปดในชีวิตประจาวันเนี่ยเราก็สามารถทำได้นะก็ได้เจ้าค่ะมันก็มีอั น, นิส้สองของของเขาอยู่นะทีนี้วัตถุประสงค์เนี่ยก็คือว่าอ่าก็ต้องพูดถึงว่าสิ่งที่พระเจ้าเนี่ย แต่เป็นเป้าหมายที่พูะเจ้าวางไว้ให้เราเนี่ยก็คือว่าความดับไม่เหลือของความทุกข์หมายความว่าพระเจ้าเนี่ยพูดถึงเรื่องทุกข์นะว่าคนเราเนี่ยมีความทุกข์แล้วส่วนมากเนี่ยเวลาคนที่พบเจอกับความทุกข์แล้วเนี่ยก็อยากที่จะออกจากความทุกข์ให้ได้ทีนี้ขั้นตอนของการที่จะออกจากความทุกข์ให้ได้เนี่ยก็คือเราก็ต้องรู้เหตุของความทุกข์ด้วยเนี่ยเจ้าค่ะพูดง่ายๆก็คือ ศา ส, สนาพุทธเนี่ยสอนเกี่ยวกับเรื่องของความทุกข์นะสอนเกี่ยวกับเรื่องของความทุกข์และวิธีการที่เราจะเอาทุกข์ออกไปจากตัวเราเนี่ยเพราะฉะนั้นพอเราย้อนกลับมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยเราก็ดูดูว่าวัตถุประสงค์นี่คืออะไรเราจะเข้าใจสีแปดมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นสีแปดเนี่ยก็เกี่ยวกับความทุกข์เหมือนกันทีนี้ทุกข์ของชาวบ้านทั่วไปเนี่ยมีอะไรบ้างล่ะทุกเรื่องหาอยู่หากินเงนินไม่พอใช้ มีคนมาดา่าเราเราก็ไม่พอใจอลูกเต้าอาจจะไม่ได้ดั่งใจคนในบ้านทำไมถึงทำตัวอย่างนี้เพื่อนฉันทำไมถึงไม่ได้ดั่งใจฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะพูดง่ายคือเราเนี่ยน ะ, ะเผชิญกับทุกเนี่ยในชีวิตประจำวั น, เ, นเราอยู่ตลอดเลยตั้งแต่ตื่นยันหลับเลยทีนี้เราเนี่ยไม่มีวิธีที่จะแก้ทุกขเขาเรียกว่า วิธีที่เรากำลังทําเนี่ยเขาเรียกบันเทาทุกข์นะอย่างเช่นว่า เ, าเจ้านายบ่นมาแล้วเราก็อึอดอัดเซ็งเซ็งเบื่อเบื่อหงุดหงิดแล้วก็เปิดเพลงฟังเปิดเพลงฟังมันก็เพลินเพลินไปอันนี้เป็นการแก้ทุกข์แบบหลอกๆใช่ไหมเจ้าคะ่ะก็เรียก บ, บรนเทาทุกข์นะบันเทาอ่าซึ่งถ้าเกิดเราโดนเจ้านายด่าอีกเราก็ทุกข์แบบนี้อีกนะเพราะฉะนั้นอ่า ส, สิ่งที่เราทําฟังเพลงก็ดีไปบนกับเพื่อนก็ดีเนี่ยเขาเรียกว่ามันได้ระบายทุกข์ออกระบายไปแต่ทุกของการที่ไม่ว่าเจ้านายเราจะมาบน่นเรากี่ครั้งด่าเรากี่ครั้งเราก็ยังทุกข์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากําลังจะทําต่อไปสิ่งที่พระเจ้านําเสนอวิธีทางให้เราเนี่ยเป็นการที่ไม่ว่าใครเขาจะว่าเราก็ดีใจเราก็ยังสบายอยู่ได้ ไม่ว่ามันจะมีเรื่องอะไรมากระทบใจเราเราก็จะสบายอยู่ได้ทีนี้ก็วนกลับมาเรื่องของศีแปดที่มันเพิ่มขึ้นนะสีห้าเนี่ยถ้าใครไม่มีชีวิตมันก็เดือดร้อนนะแต่ศีแปดใครไม่ทําไม่เดือดร้อนนะเจ้าค่ะอย่างเช่นเราจะกินข้าวเวลาสี่มื้อห้ามื้อก็ไม่เป็นไรใช่เราจะนอนเตียงที่มันนิ่มขนาดไหนก็ได้มันก็สบายดีแต่ทําไมเราต้องมาประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นก็เพราะว่า สิ่งหนึ่งก็คือให้เราเห็นทุกนี่แหละทีนี้เราจะไปซ้อมทุกไปซ้อมกับความทุกนะให้เจ้านายเขามาด่าเราแล้วเราก็โอ้ใจเราไม่ทุกนะว่ามันทำยากทีนี้สีแปดเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยมาซ้อมก่อนเป็นสนามซ้อมนะมเวลาเรากินข้าวสามมื้อทุกวันทุกวันทุกวันแล้วเราก็มากินแค่แก็อิ่มแล้วเราก็ไม่เห็นทุกว่าการหิวมันเป็นยังไง แค่เที่ยงเนี่ยนะแล้วเราก็เลิกกินแล้วนะทีนี้กับข้าวมื้อเย็นเนี่ยมันจะเป็นมื้อนี่มันเขาเรียกว่าเป็นมื้อที่ดีที่สุดของวันของเรานะโดยปกติเนี่ยอย่างเช่นชเราไปทานอาหารเย็นกับเพื่อนกับแฟนกับครอบครัวเนี่ยมื้อเย็นมันเป็นมื้อที่ดูจะมีความสุขที่สุดนะนะแล้วถ้าเราตัดมื้อเย็นออกไปเนี่ยนะชีวิตเราก็จะขาดอัรตรัตัวนี้ลงไปนะ เราไม่กินข้าวเย็นเข้าไปเที่ยวกันเข้าไปทานข้าวเย็นกันเนี่ยนะแล้วเรามันก็อยากไปนะอยากไปแล้วไม่ได้ไปมันก็เป็นทุกข์นะอ่าแล้วอ่าบางทีถึงเขาไม่ชวนเราแต่เรากลับมาบ้านเราก็หิวข้าวหิวหิวหิวหิ ว, ห ว, ห ว, หวเราก็นึกถึงเมนูที่เราอยากจะกินออกมาเพียบเลยแล้วสิ่งที่เราก็คืออุ้ยเราถือศีนแฝนะวันนี้นะเราก็ต้องอดกินนะ คือไม่กินสิ่งหนึ่งก็คือความทุกเนี่ยแหละที่มันเกิดขึ้นนะความทุกจากความอยากนี่แหละในใจเรามันเกิดขึ้นทีนี้เราเนี่ยก็ต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งมากขึ้นว่าอยากกินแล้วเราก็ต้องหักห้ามไม่ให้กินเนี่ยทุกมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ได้ซ้อมนะซ้อมอยู่อย่างนี้แหละว่าทุกเกิดขึ้นแล้วเราจะมีวิธีการจัดการยังไงกับใจเราให้ใจเราเนี่ยสบายอยู่ได้ ไม่กระทบกระเทือนจากความคิดที่มันฟุง้งซ่านขึ้นมาไม่กระทบกระเทือนจากร่างกายที่มันมีทุกข์เพราะความหิวเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นการซ้อมจากการเรื่องของการกินนะเช้าค่ะทีนี้เรื่องนอนก็เหมือนกันนะถ้าเรานอนบนที่นอนเป็นฟูกสบายสบาย มันก็เพลิดเพลินยินดีมันก็สบายดีนะชีวิตอาจจะนอนตื่นสายถูกต้องเพาสบายมากไปถ้าเกิดมานอนกับพื้นแข็งแข็งมันก็นึกถึงเตียงนะเตียงเตียงอันเดิมเตียงที่มันนอนสบายสบายเงี้ยมันมันก็เป็นทุกข์อีกเหมือนกันนะนอนในสิ่งที่บนที่ที่เราไม่ชอบใจบนที่ที่เราไม่ไม่ยินดีมันก็เป็นความทุกข์อันหนึ่งแล้วเราจะจัดการบริหารใจยังไงล่ะให้ใจเราเนี่ย เจอเรื่องอย่างนี้เราก็ยังอยู่ได้เจอเรื่องอย่างนี้ใจเราก็ยังสบายอยู่ได้เนี่ยมันก็เป็นซอเป็นการซ้อมซ้อมเล็กๆคือทุกมันจะไม่ใช่ทุกตัวใหญ่ที่เราควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้ในสินแปดแปดแปดข้ออันนี้อส่วนเพิ่มเติมก็คือสีข้อมันเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะเพราะนั้นอันที่สองของศินแปดก็คือการที่เราจะมาฝึกใจเราเนี่ยให้ใจเราเห็นทุกให้ใจเราเนี่ยได้เรียกเป็นวัคซีนที่มันจะ ทำให้ใจยชาให้ใจเราแข็งแรงแข็งแรงมีประสิทธิภาพในการต่อต้านความทุกข์เพิ่มขึ้นนะนี่แหละเพราะนั้นศีลแปดเนี่ยก็ถ้าใครทำได้เนี่ยก็จะเป็นเาเรียกว่าเป็นตัวเร่งเป็นตัวทาให้ทางเนี่ยมันสั้นลงไม่ใช่ไม่ใช่ต้องบอกว่าไม่ใช่สั้นลงนะเป็นตัวเร่งมากกว่าเร่งทำให้ใจเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันกันกบความทุกข์ได้มากขึ้นเพราะว่า เราซ้อมบ่อยๆจัดการมันบ่อยๆใจเราก็มีความชํานาญในการที่จะบริหารจัดการความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับใจเราบางคนก็กลัวว่าบางทีเนี่ยเรารับศินไปแล้วแม้กระทั่งศีลห้าเองเรายังทําได้ไม่ครบเลยในแต่ละวันเนี่ยนะเจ้าคะ่ะถ้าสมมุติว่าจะต้องรับสินแปดเป็นเรื่องที่แบบใหญ่โตมากๆอย่างนี้เนี่ยเราควรจะเลี่ยงที่จะอะ การขอศินแปดหรือว่าการรับสินแปดจากพระเงี้ยอืมถ้าในกรณีที่เราคิดว่าเราคงทําไม่ได้หรอ ก, กเราไม่ควรรับศินใช่ไหมเจ้าคะก็อย่างในคำอาราธนานะวิสุงวิสุงรักนัทธยะนะเพื่อประโยชน์แก่การรักษาเป็นข้อเป็นข้อนะอเราทําข้อไหนได้เราก็ทําข้อนั้นไปก่อนคือถ้าทาทั้งหมดเลยแล้วมันเกินกําลังที่เราจะทําได้เนะี่ยเราก็เลือกข้อที่เราสามารถทําได้ก่อน อย่างเช่นศี่ห้าเนี่ยเราเลือกข้อที่เราทําได้ก่อนอะไรละ่ะที่เราคิดว่าเราทำได้ง่ายที่สุดเราก็ทำมันนั้นไปก่อนอย่างเช่นเราคิดว่าเราจะไม่ไม่ทำให้ข้อ3มเนี่ยก็คือไม่ประพฤติผิดวิชาจาร์เนี่ยเราทําให้มันดีเพราะฉะนั้นเราเริ่มที่ข้อนี้แหละข้ออื่นเอาไว้ก่อนก็ได้แต่ถ้าเราคิดว่าเราเริ่มได้ทีหนึ่งห ล, ห, ลหลายข้อพร้อมกันไม่ไม่ลักทรัพย์ใครไม่ขโมยของใครด้วย แล้วก็ไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตด้วยอาจจะสมมติ mm hmm. เราทําได้สมข้อก็ดีนะดีกว่าทาข้อหน mm ึ hmm. ่งเพราะฉะนั้นก็คือทํา mm hmm. ตามกําลังไปก่อนแต่ก็ต้องตั้งตั้งเป้าว่าต้องทําให้ครบให้ได้นะคือเราคิดว่าเราทำสามข้อได้แล้วเราก็ทําเฉพาะ3ข้อแต่เราไม่ขยับให้มันบริบูรณ์เนี่ยสีลเราก็จะด่างพร้อยนะถ้าสีเราด่างพร้อยเนี่ยมันก็เหมือนบ้านที่รั้วเราเนี่ยมันยังพังๆอยู่เพราะฉะนั้น อ่ไอ้ตรงไหนมันพังเนี่ยมันก็มีงูมีสัตว์หรือว่ามีขโมยอะไรต่างๆที่มันจะเข้ามาทางช่องตรงนั้นนะ่ะได้แต่สีห5เนี่ยพอมันบริบูรณ์แล้วศีแปดเนี่ยเราก็พยายามทำให้มันบริบูรณ์เพื่อเราจะอ่าก็เรียกว่าได้ได้ได้บริหารเนี่ยให้มันครบเหมือนร่างกายเราเนี่ยเราจะบริหารแต่ขาเนี่ยก็ไม่ถูกนะก็ต้องให้มันบริหาร ให้มันได้ครบทุกส่วนของร่างกายนะมันจะได้แข็งแรงทั้งหมดนะนะเพรา ะ, ะนั้นถ้าเราทำศีลแปดได้อย่างบริบูรณ์เนี่ยใจเราเนี่ยก็จะแข็งแรงในรอบๆ อ, อบด้าน น, นะนะทั้งตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยมันก็จะได้ฝึกแป๋ทั้งหมดเพื่อไงคือฝึกฝึกฝึกห้าทางนะตาหูจมูกลิ้นกายจค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย การการที่เรารับสินแปดบ่อยๆแล้วก็ฝึกหรือว่าการฝึกที่จะทําอย่างเช่นบางคนอาจจะเริ่มต้นบางข้อเช่นว่าโยมอาจจะเริ่มต้นที่ไม่ไม่ทานข้าวเย็นก็น่าจะฝึกความอดทนเพราะปกติแล้วตอนเย็นเนี่ยจะเป็นมื้อที่อร่อยที่สุดจริงๆก็คือแบบจะมีเวลาในการรังสรรค์เมนู ม, มีเวลาในการเลือกร้านอาหารก็มีกลุ่มเพื่อนหรือว่าครอบครัวก็ตามไปมไปทานข้าวด้วยกัน บางคนเขาก็เลี่ยงนะบาคนเขาก็เล<ด>นะี่ยงไปกินข้าวร้อนแทนนะข้าวร้อนกินข้าวเย็นเป็นพยาค่ะ เ, เป็นสุภาษิตโบราณอ่าทีนี้พอเราได้รับการฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยใจเราก็จะมีศักยภาพในการที่เราจะาติดอาวุธให้ใจเราคือติดอาวุธสู้กับความทุกข์นะใจเราก็จะเข้มแข็งทางอใช้ใช้ศัพท์ตัวหนึ่งนะเกาเรียกผัดสะนะ ภาษาก็คือสิ่งที่มันมากระทบใจเราเนี่ยแหละภาษาแปลว่ากระทบะนะซึ่งสิ่งที่มันจะมากระทบใจเราเนี่ยมันมาได้จากทางหลายๆทางคือทั้งตาหนึ่งหูหนึ่งจมูก1ลิ้นหนึ่งกายหนึ่งเนี่ยอีกอันหนึ่งก็คือใจเรานี่เองซึ่งภาษาเนี่ ย, ยมันก็จะมีอยู่ได้แบบนี้แหละหกทางทีนี้เราก็จะได้ฝึกสู้กับภาษะเหล่านี้เนี่ยทาง5้าทาง ใช่เราก็จะได้มีศักยภาพที่เราจะสู้กับกับความทุกข์เนี่ยไหวเจ้าค่ะทีนี้ประเด็นต่างๆเนี่ยมันก็คือเราก็ไม่ได้รักษายากนะศีนเนี่ยศีนเอาไปเพื่อรักษารักษาบางคนก็บอกโอ้โ oh, หมีหลายข้อมากมายเลยตั้งห้าข้อห้าข้อแล้วก็มีออปชันเสริมมาเป็น8ดข้อห้าข้อ oh, ก็เยอะแล้วนะมันดูวุ่นวายนะแต่จริงๆแล้วเนี่ย รักษาสีเนี่ยไม่ได้รักษาที่ไหนหรอกก็รักษาที่ใจนี่แหละขอแค่ใจเรามีสติดูใจเราว่าใจเราเนี่ยกำลังจะไปทำอะไรบ้างอ่าจะไปฆ่าสัตว์มันก็เริ่มมาจากใจนะคือมันมีเจตนาก่อนอย่างเช่นยุมมกัดาเราเนี่ยเยอะใช่หรือว่ามดที่มันเดินกันแบบมาตายอยู่บนโต๊ะเรา อ, อะไรเงี้ยคือมันก็ต้องเริ่มมาจากใจก่อนนะว่าขอมาสักหน่อยขอมาสักทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเรา รักษาที่ใจเราได้เนี่ยรู้เท่าทานปุ๊บแล้วก็งดเจตนาตรงนั้นก็คือเว ร, รมณีเนี่ยแหละเว ร, รมณีนันแปลงงดเวน้นก็คือมัน ง, งดที่ใจเรานะไม่ใช่งดถ้า ง, งดที่ใจเราได้เนี่ยมือไม้มันก็จะไม่ไปนะแต่ถ้าเราจะไปรักษาที่มือรักษาที่มือไม้เราอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหมันรักษายากเพราะว่ามันมีความอยากในใจที่มันคอยกระตุ้นมือไม้เราอยู่ เพราะฉะนั้นการรับสินเนี่ยก็มีประโยชน์มากเลยเพราะว่าถ้าสมมติว่ายมรับสินไปแล้วเราเราก็เห็นมดอย่างเงี้ย น, นะคะเราแทนที่เราจะบี้ถ้าเราคิดได้ว่าเออเป็นเครื่องเตือนใจว่าเรารับสินไปแล้วเราก็อาจจะแค่ปัดเขาลงไป ม, งมันมีหลายทางเลือกนะบางคนอาจจะปัดด้วยมือบางคนก็อาจจะไปเอาทิชชู่มาแล้วก็ปัดปัดนะ่ะมันก็เจ็บน้อยหน่อ ย, อ ย, อยางไง <laughs> คือมันมีวิธีเลี่ยงหลายๆอย่างที่บางทีทำไมเราถึงใช้วิธีแบบเดิม เ, มเพราะว่ามันเป็นวิธีที่เราคิดว่ามันสะดวกรวดเร็วได้ผลดีที่สุดเนี่ยนะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นวิธีที่มันได้ผลดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นบาปเกิดขึ้นเพราะมันมีการฆ่าการเกิดขึ้นนะเพราะว่าเวลาเราทำสิ่งต่างๆที่มันมาจากกุศลก็ดีหรืออกุศลก็ดีเนี่ยมันก็มี ผลที่ตามมาของเขาอะนะไม่ดีมันก็เป็นอกุศลมันก็เป็นบาปเกิดขึ้นมันก็มีวิบากที่เราจะต้องได้รับนะเหมือนอย่างเราไปรักขโมยใครเนี่ยมันแน่นอนผลไม่ต้องรอชาติไหนหรอกรอชาตินี้เนี่ยใจเราก็ ร, อร้อนๆแต่ผลภายนอกที่เราได้เนี่ยมันก็อ่ะถ้าเกิดเขาจับได้ส่งตำรวจติดคุกติดตารางเนี่ยมันก็เป็นผลที่มันเห็นทันตายอยู่แล้วล่ะอืม การรักษาศีลเนี่ยน่าจะมีความจำเป็นมากๆในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันนะเจ้าคะเพราะว่าตลอดเวลาที่ที่ในการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยอย่างเช่นเช้าตื่นขึ้นมาทำกิจวัตรในบ้านเสร็จเรียบร้อยก็ต้องออกไปทำงานบนท้องถนนเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่จะเจอที่พระอาจารย์เรียกว่าผัสสะเนี่ยเยอะมากๆบนท้องถนนแล้วก็ด้วยความที่ สังคมปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีการแข่งขันสูงขึ้นก็ทำให้คนอาจจะเห็นแก่ตัวมากขึ้นการแบ่งปันหรือว่าการช่วยเหลือกันการให้ทางบนท้องถนนเนี่ยก็ก็เป็นเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ยมเจ อ, อเป็นประจาแล้ว ก, ก็บอกว่าผัสาตัวนั้นเนี่ยก็กระทบใจเราจริงๆจค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าโลกเราเนี่ยนะมีสี่5้แค่สี่ห้าที่มันสมบูรณ์นะ ทนั้นแหละโลกเราก็จะเย็นการปัญหาต่างๆบนโลกที่มันจะเกิดขึ้นมันก็จะลดลงไปแบบแปดสิบเก้าสิเอร์เซน์แหละเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เราลองมาดูนะมันก็มาจากการที่เราไม่มีสีนทั้งนั้นเลยนะเจะ้าค่ะคดโกงกันเนี่ยก็คืออธินนาทานนะนะการไปมีชู้ครอบครัวแตกแยกนะี่นก็คือข้อสามนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีศีลห้าที่สมบูรณ์เนี่ยโอ้โหมันจะเป็นอะไรที่ สังคมมันเป็นเจะหน้าอยู่มากมากมากๆเลยแหละสังคมเรานี่ก็จะเป็นสังคมที่สมมติว่าแค่ประเทศเราเนี่ยนะมีสังคมที่มีศี่ห้านะประเทศเราจะเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกเลยนะเป็นประเทศที่ใครๆก็อยากจะมาอยู่ด้วยเพราะว่าอยู่แล้วเนี่ยได้รับทั้งสบายทั้งภายนอกสบายทั้งภายในเวลาที่มันสบายภายนอกก็ยังไม่เท่าไหร่นะเหมือนทุกที่ไหนที่ไหนเนี่ยที่มันมี เครื่องอำนวยความสะดวกเนี่ยก็ได้รับความสะดวกสบายทางภายนอกไปแต่สิ่งที่สําคัญที่มนุษย์สแสวงหาก็คือความสบายทางใจนี่แหละเจ้าค่ะอืเพราะฉะนั้นมีศีลห้าเนี่ยมันจะทําให้อ่าถ้าคนรอบข้างเราเนี่ยเขาไม่มีศีลแล้วเราทําให้เขามีศีลได้เราก็จะอยู่กับเขาสบายขึ้นเจ้าค่ะการเบียดเพียนการความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมันก็จะค่อยๆ อ, อ่าเป็นไปตาม สิ่งที่มันจะเป็นนะเบียดเบียนกันก็น้อยลงเออเฟื้อเผื่อแผ่กันก็มีมากขึ้นเจ้าค่ะทีนี้คิดว่าก็น่าจะครบส่วนนะเกี่ยวกับเรื่องศีลศีลห้านะค่ะยวมีคำถามอีกคำถามหนึ่งนะเจา้าค่ะ อ, อ, อยากให้พระอาจารย์แนะนำท่านผู้ฟังนะคะง่ายๆถึงวิธีง่ายๆในการรักษาใจในกรณีอย่างเช่นบนท้องถนนก็แล้วกันที่ที่เราจะ บุดหงิดมากเลยเวลาขับรถเนี่ยทำยังไงดีถึงจะรักษาใจของเราไม่ให้มันกระทบกระเทือนมากจากผัดสะนั้นๆ น, น, นะเจ้าค่ะก่อนอื่นนะก่อนที่จะขึ้นรถเนี่ยนะเราก็ต้องทำใจให้มันเบิกบานก่อนนะถ้าเราขึ้นรถด้วยใจที่มันขุนมัวนะโอ้ยขับยังไงนะมันก็ขุนมัวขุนมัวทั้งเราขุนมัวไปถึงคันข้างๆด้วยเพราะนั้นหนึ่งก็ต้องทาให้ใจเราเนี่ยเบิกบานสก่อน พอใจเราเบิกบานแล้วเนี่ยนะก็ต้องทำให้มันเบิกบานอยู่เรื่อยๆแล้วก็อะไรที่มันมากระทบใจเรานะอย่างเช่นเขาปาดหน้าเราอะไรอย่างเงี้ย น, นะเราก็พยายามนึกถึงอารมณ์ที่มันดีๆเมื่อกี้เข้าไว้แล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจมันเราจะไปช้าเขาจะทำอะไรมันก็เรื่องของเขาไปเนี่ยนะเพราะว่าเขารีบเขาก็รีบของเขาแต่เราเราก็ไม่ได้เรีบเท่าเขาเนาะเวลาเขารีบเนี่ยนะ ใจเขามันร้อนมากนะมันน่าสงสารกว่าแหละเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือขับรถเนี่ยมันก็ต้องแผ่เมตตาไปด้วยนะแผเมตตาเป็นใจที่มีเมตตาอาเขาอยากจะเข้าก็แล้วก็ให้เข้าๆซะเขาก็จะเรืไม่ต้องมานเบียมาปาดตรงใกล้ๆที่เราจะต้องเบรคหัวทิ่มอะไรอย่างเนงะี้ยซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ง่ายๆก็คือมีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเลยเนะี่ยแค่ขับรถบนถนนด้วยใจที่มันมีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเนี่ยมันจะสบายขึ้นเพราะว่า ในรัรลาปัจจุบันที่มันจะมีปัญหามากคือไม่มีความเอื้อเฟื้ออนะใช่เจ้าค่ะปาดหน้ากันก็เพราะฉันอยากจะไปก่อนให้มันเร็วเธอก็ต้องให้ใหใหทางฉันถ้าเธอไม่ให้ทางฉันฉันก็จะเอาอย่างอย่างเงี้ยมันก็ทะเลาะกันนะ<ก>ั่นแะก็ไม่มีประโยชน์ชทําให้ทําให้เกิดเรื่องมากมายจนกระทั่งฆ่ากันตายก็มีกับไอ้เรื่องแค่เรื่องเล็กๆแค่นี้นะเจ้าค่ะใช่แล้วใจใจคนเราตอนนี้ก็ร้อนมากขึ้นนะ่ะนะ เพราะนั้นเราก็ต้องพยายามมีธรรมะธรรมะเป็นเป็นน้ำที่มันจะมาชะทเป็นน้ำที่มาจะทำให้ไฟที่มันมีอยู่ในใจเราเนี่ยไฟจากไหนไฟจากโลภะคือความโลภที่มันมีอยู่ในใจเราไฟจากไหนไฟจากโทสะก็คือความโกรธที่มันมีอยู่ในใจเราไฟจากโมหะเป็นความ ไม่รู้เท่าทันที่มันมีอยู่ในใจเราเนี่ยไฟสามกองมันสมเผาไหมใจิตใจเราอยู่นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีธรรมะเป็นน้ําที่จะไว้ดับไฟสามกองตรงนี้เนี่ยชีวิตเราก็จะได้สบายขึ้นเจ้าค่ะสิ่งที่โยมคิดอยู่เสมอก็คือว่าบางทีไม่ไม่ต้องบางทีหรอกคือทุกเรื่องเลยก็ตามเราไม่สามารถที่จะแก้ที่คนอื่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาแก้ที่ตัวเองอืถูกต้องไหมเจ้าค่ะคือแก้ที่คนอื่นนะก็แก้ได้ แต่แก้ได้ไม่ตลอดเพราะว่าคนอื่นเนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้อะเราควบคุมได้บ้างบางครั้งเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะไม่ให้ปัญหามันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมาควบคุมที่ตัวเราปัญหานี่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะไปแก้ข้างนอกให้มันหมดนะแต่เราเนี่ยก็ต้องมาแก้ข้างในเราปัญหาข้างนอกก็ต้องแก้ไปส่วนภายนอกคือมันต้องแบ่งก่อนแหะปัญหาภายในก็ส่วนภายใน ปัญหาภายนอกก็ส่วนข้างนอกอย่างเช่นรถชนกันเนี่ยมันมีทั้งปัญหาภายนอกแล้วก็ปัญหาภายในนะปัญหาภายนอกก็คือรถมันพังแล้วก็ต้องม า, าคุยกันแล้วก็เอารถเอาไปซ่อมอันนี้คือปัญหาภายนอกที่เราก็ต้องทำไปส่วนปัญหาภายในเนี่ยก็คือความหงุดหงิดที่มันเกิดขึ้นเอ๊เขาทำไมมาทำอย่างนี้ปาดหน้าเราแล้วเราก็เบรกไม่ทันแล้วก็เลยจึงไปชนเขาไอคิดอย่างเนี้ย แล้วก็มันเป็นมันเป็นการที่อันนี้มันเป็นปัญหาภายในแล้วนะ<ช>คือภ า, ภายนอกมันจบไปแล้วล่ะคือสิ่งที่เราต้องทำาคือเอารถไปซ่อมแค่นั้นแหละส่วนปัญหาภายในคือเราจะหยุดยัง้งให้ใจเราน่ะไม่ขุ่นมัวให้ใจเรามันไม่ต่อเติมความทุกข์ที่มันอ่างุนงีดเหล่านี้ขึ้นมาเราจะทำยังไงให้ตรงนี้มันสงบลงไปหายไปยุบยอดลงไปได้บางคนอาจจะแก้ที่อ่า กเวลาเราพอเชิญกับผัดสะต่างต่างเนี่ยนะคะเราอาจจะแก้ที่เรารักษาความเราใช้ความอดทนแต่ในขณะที่เราอดทนแล้วก็ให้มันไม่เกิดการกระทบกระทั่งกันเนี่ยแต่ใจเราก็ขุ่นเจ้าค่ะพูดถึงคำว่าอดทนเนี่ยนะพูดแล้วก็นึกถึงเรื่องเก่าเก่านะนึกถึงเพื่อนนะนะเจ้าค่ะเพื่อนก็ถามถามว่าอดทนอดกลัน้น มันต่าง ก, กับเก็บกดไม้อะไรเงี้ยคุณแอบว่าต่างไหมละ่ะก็น่าจะคล้ายๆกันนะเจ้าคะ่ะอดทนที่จะไม่ทําไม่ไม่ทําให้มันเกิดการกระทบกระทั่งแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเราเราก็ทําใจไม่ได้เพราะว่ามันมันข<อ>ุนน่าจะใกล้ๆกันไหมเจ้าค่ะอดทนกับอดกลั้นเนี่ยโดยส่วนมากนะคนก็จะ เข้าใจว่ามันมันเหมือนกันสัทีเดียวเลยแหละแต่จริงๆแล้วมันต่างกันมากนะอดทนอดกลั้นกับไอ้ตัวเก็บกดนะนะแต่ทางเดินมันเนี่ยมันใกล้เคียงกันมันมันเป็นทางเดินที่มันต่อเนื่องกันนะเหมือนเราอดทนเนี่ยใครๆก็ต้องใช้อดทนอดทนนี่ดีไหมล่ะอดทนได้ก็ดีนะเจ้าค่ะอดทนนี่เป็นสิ่งดีน ะ, ะอดทนเนี่ยเป็นตะบะในทางพระพุทธศาสนานะพระเจ้านี่ตรัสว่า ขันตีประมังตโปติติขาแปลว่าขันติคือความอดทนอดกลั้นเนี่ยเป็นตะบะอย่างยิ่งเลยนะฉะนั้นไอ้คาว่าอดทนเนี่ยดีมากจึงเป็นเรื่องที่ดีมากนะแต่ไอ้เก็บกดน่ยไม่ดีเลยเจ้าค่ะพอเมื่อกี้เราพูดถึงตะบะตะบะเนี่ยก็คือแปลว่าแผดเผาหลายๆลัทธิเนี่ยก็จะมีตะบะในรูปแบบของตัวเองอถ้าเรา มองที่อินเดียเนี่ยจะเข้าใจดีที่มีหลายลทัทธิมากลทัทธิที่ว่าไปนอนบนหนามตามือให้เล็บมันพลุออกมาหลังมืออย่างเงี้ยเขาก็คิดว่าเป็นการ บ, บําเพ็ญตบะของเขาเจ้าค่ะคือทําไปแล้วเนี่ยเขาก็จะคิดว่าทําอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยกิเลสหรืออะไรเป้าหมายของเขาแหละก็คือกิเลสมันจะน้อยลงด้วยวิธีการอย่างนี้นะความสุขที่เขาจะมีเขาก็จะได้มาจากวิธีการอย่างนี้นะแต่ของในพระพุทธศาสนาเราเนี่ย ก็คืออดทนอดการ้นนี่แหละพระเจ้าต่าัสว่าเป็นตะบะเครื่องแผดเผากิเลสอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นการอดทนเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ดีแต่อดทนเนี่ยทางพุทศาสนาเนี่ยไม่ใช่อดทนไปเรื่อยๆนะมันเหมือนเรามีถังขยะนะถ้าเร า, อ ย, าอย่างตอนที่วัดเนี่ยเขาก็จะกวาดใบไม้นะใช่ค่ะยิ่งตอนที่ว่าหน้าหนาวนะใบไม้มันจะร่วงเยอะมากกวาดเช้ากวาดเย็นเลยแหละกวาดเนี่ยใบไม้ก็จะเติมเลย แล้วก็เราก็ไปเข็นถังมาถังขยะนะถังขยะแบบกทมเขียวๆใหญ่ๆนะะแล้วก็เทไปเทไปเทไปพอมันเต็มแล้วก็เอาไปกดอะกดให้มันลงไปยังล่างอีกกดกดกกดกดมันก็พอไปได้นะแล้วก็เทอีกเทแล้วไปอีกมันก็เต็มขึ้นมาอีกมันใส่ไม่ได้แล้วก็ไปกดกดกดอีกเพราะว่าใบม้ามันยังเหลือนะเจ้าค่ะอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเก็บกดคือเก็บด้วยพอมันเต็มแล้วก็กดลงไปอีก พอเก็บลงไว้อีกแล้วมันก็กดของใหม่ลงไว้อีกเพื่อที่จะให้มันใส่ของใหม่ได้มากๆแต่โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันก็มีจุดหนึ่งที่มันอัดลงไปไม่ได้นะมันก็กลายเป็นระเบิดขึ้นมาบึ้มยังั้นะเพราะฉะนั้ น, น, นอดทนแบบไม่มีปัญญาพิจารณาไต่ตรองให้ดีเนี่ยมันจะเป็นเก็บกดแต่ถ้าอดทนตามหลักที่พธศาสนาคือเราก็ต้องมาพิจารณาด้วยว่าอะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผลอดทนในที่นี้ก็คือไม่อดไม่อดทนเพื่อที่จะไม่ให้เราเนี่ยไปพูดไม่ดีไปทําไม่ดีแล้วก็ไปคิดไม่ดีแต่ถ้าเราอดทนอย่างนี้อย่างเดียวเนี่ยความไม่คิดไม่ดีก็ตามหรือความขุ่นโมงก็ตามมันก็ยังคลุกขุ่นอยู่ในใจเราเพราะฉนั้นเราต้องมีปัญญาพิจารณาด้วยว่านี่ความทุกข์หรือว่าสิ่งที่มันไม่ดีนะเป็นอย่างนี้เพราะเหตุอันนี้คือมันต้องมีมีมีกระบวนการของปัญญา เข้ามาช่วยด้วยเจ้าค่ะพอเราเข้าใจใจเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็ไม่ไปสนใจมันได้ปล่อยวางมันได้เพราะฉะนั้นอดทนเนี่ยที่ดีต้องประกอบไปด้วยวิญญาด้วยเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นเริ่มต้นก็ควรจะเริ่มต้นที่ความอดทนถูกต้องแล้วนะคะถูกต้องแต่ต้องมีการพิจารณาด้วยเจ้าค่ะค่ะมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้ววันนี้นะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังท่านใดมีคําถามให้พระจรันทร์บอกได้เลยว่าต้องติดต่อมาทางไหนช่องทางไหนได้บ้างเจ้าค่ะก็ ผ่านทางอีเมลก็ได้อีเมลก็คือธรรมะ from mind at gmail d com จ้ค่ะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือว่าผ่านทางแฟนเพจทางเฟ e บุ๊ก easy ธรรมะทีนี้ตัว e ต้องเป็นตัวใหญ่นะจ้ค่ะที่เหลือเป็นตัวเล็กก็ e a s, s y d HAMMA ค่ะเป็นเป็นสองคำที่ติดกันด้วยสองคำที่ติดกันด้วยไม่งั้นเดี๋ยวจะหาไม่เจอเจ้าค่ะก็มีสองช่องทางตอนนี้ที่สามารถที่จะอ่าติดชมก็ดีเขียนคำถามก็ดีหรือว่าอ่าจะติดต่อมาได้ ก็คะก็ท่านผู้ฟังก็สามารถเข้ามาได้ที่แฟนเพจอ a s y ธรรมะนะคะง่ายๆเลยเป็นช่องทางหนึ่งที่จะติดต่อกับพระอาจารย์ได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอกราบนำ้ำมศการพระอาจารย์สุชาติอภิชาตโตนะคะแล้วก็ลาท่านผู้ชมไปพร้อมกับดิฉันอรยาสุวิศสักและรายการธรรมะสบายๆ ส, สวัสดีค่ะจันพร